ทำเป็นเหตุให้อายุยืนพระสุภาษิตอภิวาดันซีลิสะนิจังอุฒาปจา ย, ยิโนจะตาโรธรมาวันติอายุวันโนสุขังพลังแปลความว่าทำลงเล็บสิ่งที่พึงปรารถนาสี่ประการคืออายุยืนผิวพรรณงามความสุขและกําลังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้ ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิสอธิบายความสิ่งที่พึงปรารถนาสีประการนี้เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปต้องการให้มีอายุยืนแม้คนที่เป็นอยู่อย่างแรนแค้นลาบากก็ไม่อยากตายเพราะยังหวังความสุขในอนาคตว่าความสุขจกมาถึงเราความสุขจกมาถึงเราใครบอกจากการทำนายทายทักว่าอายุจะยืนนานก็พอใจ ใครบอกว่าอายุชะสั้นก็มีความวิตกกังวลต้องการมีผิวพรรณงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ได้ดูได้เห็นโดยเฉพาะในหมู่สตรีโขนกวายมากในเรื่องนี้เครื่องประทินผิวของหญิงจึงมีมากในท้องตลาดและขายได้ดีสตรีในเมืองโดยเฉพาะในนครใหญ่ๆดูเหมือนจะหาได้ยากที่ออกจากบ้านด้วยหน้าที่ไม่มีเครื่องประทินผิวต้องมีครีมมีแป้งผัดหน้าเครื่องเขียนคิ้วทาปากและอื่นอื่นอีก ทางนี้ก็ได้จบประสงค์ให้ผิวงามเป็นที่พอตาพอใจคนผู้ได้เห็นได้ชมออกมาหรือชมในใจว่าเธองามงามอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนอีกอย่างหนึ่งคือความสุขอันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกรูปทุกนามการกระทําการกระเสริฐกระสนทุกอย่างของมนุษย์มุ่งไปสู่จุดเดียวคือความสุขเมื่อได้ความสุขก็เป็นที่พอใจรื่นรมเห็นชีวิตเป็นสิ่งน้าถนอมหน้าหวงแหนพึงอภิรม์ชมชื่น ตรงกันข้ามกับเมื่อทุกข์อย่างไรก็ตามมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ทั่วไปคือในยามสุขดูเหมือนจะไม่ได้สุขจริงๆเป็นสุขเพียงเล็กน้อยผิวเผินแต่ยามทุกข์จะเป็นทุกข์จริงๆทุกข์ที่น่ากลัวเลอะเกินทางนี้อาจเป็นเพราะพื้นฐานอันแท้จริงของชีวิตคือความทุกข์ก็เป็นได้เหมือนเรือกับพื้นน้ําเรือเหมือนความสุขพื้นน้ําเหมือนความทุกข์ ดูพื้นน้ามันกว้างใหญ่ไพศาลและมากมายเสียจริงกำลังเป็นสิ่งพึงปรารถนาประการที่สี่กำลังในที่นี้หมายถึงกำลังกายนั่นเองร่างกายที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอาหารเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายพูดอีกอย่างหนึ่งคือความไม่มีโรคที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นลาภอย่างยิ่งนั่นเองเราจะรู้จริงเห็นแจ้งว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งอย่างไร ก็ต่อเมื่อโรคกําลังคุกคามเบียดเบียนเราอยู่นั่นเองคนที่ปวดศีรษะปวดฟันอย่างหนักจะเห็นว่าการไม่ปวดศีรษะไม่ปวดฟันเป็นราบอย่างไรใครเอาเงินมาให้หนึ่งล้านบาทและบอกว่าขอให้โรคปวดศีรษะหรือปวดฟันอยู่อย่างนี้อย่าได้หายไปจะเอาเงินหนึ่งล้านบาทนั่นไหมคงไม่ยอมเอาใครเอาเงินก็เอาไปเถิดขอให้โรคปวดศีรษะปวดฟันหายก็แล้วกันด้วยเหตุนี้เวลาเป็นโรค คนจึงยอมเสียเงินจำนวนมากเพื่อให้โรคหายเป็นการซื้อกว่ามไม่มีโรคมันเองและก็โรคนี้เองเป็นค่าสึกที่ร้ายกาจอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อโรคเข้ามากําลังก็รถดถอยความสุขก็ลดลงเสียดแทงกายให้เจ็บปวดเสียดแทงใจให้กระวนกระวายหม่นหมองกว่ามไม่มีโรคและกําลังจึงเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งอย่างหนึ่งแห่งความสุขเหตุแห่งอายุวรฒนะสุขะและกําลังนั้นมีหลายอย่างต่างออกไป เช่นการรู้จักประมาณในอาหารการเอาใจใส่ต่อผิวพรรณการออกกำลังกายพอประมาณเป็นต้นแต่ในที่นี้พระพจะองค์ทรงแสดงให้เหมาะสมกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงตรัสว่าการอธิวาตนอบน้อมและการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่คือวุฒบุคคลเป็นเหตุแห่งความเจริญอายุวรณนะสุขะและกาลังตามท้องเรื่องเด็กคนหนึ่งจะตายภายในเจ็ดวัน แต่ผู้เป็นบิดานํามาปรึกษาพระพเจ้าพระองค์ทรงอนุเคราะห์ให้พระสงฆ์สาวกสวดพระปริขพระองค์ก็ทรงสวดเองด้วยเป็นบางวันเป็นการทําพิธีเพื่อให้เด็กรอดและก็รอดจริงกลายเป็นผู้มีอายุยืนถึงร้อยยี่สิบปีข้าพเจ้าได้เคยเห็นด้วยตาตนเองมาหลายครั้งที่เด็กกาลังจะตายเป็นโรคบางอย่างที่หมอแผนปัจจุบันปฏิเสธการรักษาพ่อแม่ของเด็กหมดปัญญาจึงพาไปหาพระให้พระช่วยทําพิธีให้ พระกะส็สวดพระปริตให้โดยให้วางเด็กไว้ท่ามกลางพระสงฆ์นั่งแวดล้อมวงสายสีด้วยรอบมีได้ผูกข้อมือข้อเท้าเด็กดีเส้นเท่าจำนวนพระที่นิมนต์มาสวดเมื่อสวดพระปริจบก็ตัดเส้นได้นั้นรูปประเส้นพร้อมด้วยว่าคาถากรรมสกุลมีรมดาญาโดกรรมอยู่นิกรรมพันธุกรรมปฏิสลโนยังกรรมังกริษซามิกลายานัมวาปาปังวาัสานดายาโดภวิซามิแต่ไม่ได้ว่าเลยไปจนจบ ตรงคำว่าตัดคือตัดสดายาโดคําเต็มพร้อมกับตัดเส้นได้ที่ผูกมือหรือที่ผูกเท้าเด็กทางนี้เพื่อเอาเคลด์ว่าตัดโรคภัยไข้เจ็บตัดเวรตัดกรรมปรากฏว่าเด็กหายโรคหายภัยเจ ร, เริญเติบโตมาหลายรายที่ตัวเป็นหนุ่มแล้วเวลานี้ก็มีเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งขอย้อนกล่าวถึงการประพฤตอ่อนน้อมถ่อมตนต่อุทบุคคลอีกเล็กน้อย พุทธบุคคลนั้นตำราต่างๆให้ไวสามประเภทคือหนึ่งวายวุฒิผู้ใหญ่เพราะวัยสูงอายุมากสองชาตวุฒิผู้ใหญ่โดยชาติคือตระกูลสูงเช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าฟ้าสามคุณวุฒิผู้ใหญ่โดยมีคุณธรรมคือคนที่มีคุณธรรมดีน่าเคารพกราบไหว้แม้จะมีอายุน้อยแต่ก็ควรเคารพสาการะเพราะมีคุณมาก มีบางคนพูดว่าผู้ใหญ่สมัยปัจจุบันที่เด็กรุ่นหลังจะเคารพนับถือได้อย่างสนิทใจนั้นหาได้ยากเหลือเกินมีเจ้ของปลอมเสียมากที่เป็นเช่นนี้เห็นจะเป็นเพราะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราสมัยปัจจุบันได้เหินห่างจากทามออกไปมากมุ่งมองแต่ความเจริญเติบโตทางวัตถุตีค่าของคนจากตำแหน่งเงินเดือนรถยนต์คันงามราคาแพงและบ้านที่สวยหรูแต่ดูเหมือน นักศึกษาไทยสมัยปัจจุบันจะมองดูค่าของคนที่การกระทำความประพฤติและสิ่งธรรมของผู้ใหญ่ว่ามีมากน้อยเพียงใดควรแก่การเคารพนับถือด้วยความบริสุทธิ์ใจเพียงใดหากเขาเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ปลอมเขาก็ให้ความเคารพนับถือปลอมขึ้นไปถ้าเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงน่าเคารพกราบไหว้เขาก็กราบไหว้จากใจจริงขึ้นไปอย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการให้เด็กของเราดีผู้ใหญ่น่าจะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างการที่เด็กของเราดีนั้นหมายถึงอนาคตของชาติที่รุ่งเรืองคําพูดอย่างนี้ใครๆก็รู้ใครๆก็พูดแต่จะสําเร็จประโยชน์เพียงใดอยู่ที่เราลงมือทําจริงจังเพียงใดต่างหาเรื่องทําเป็นเหตุให้อายุยืนนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงที่ป่าแห่งหนึ่งใกล้ทีฆะลำพิกะนครทรงปราลบอายุวัฒนกุมาร มีเรื่องย่อดังนี้ในทีฆะลำพิกนาคนครมีพราหมณ์สหายกันสองคนออกบวชในรธิพรำบำเพ็ญตบะด้วยกันอยู่นานปนาพราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งคิดว่าหากบวชอยู่ต่อไปสกุลจักเสื่อมจึงสกไปลามีครอบครัวมีบุตรคนหนึ่งสหายของเขาที่ยังบวชอยู่จาริกไปสู่ที่ต่างๆเสียหลายเดือนแล้วกลับมายังทีฆะลำพิกนคร อ, อีก ถามผู้ครองเรือนทราบข่าวจึงพาพญญานาคบุรไปหาเมื่อเขาและพ ญ, ญาว่ายันพชิตเรีกล่าวว่าขอให้มีอายุยืนเถิดแต่เมื่อเขาให้บุรไหว้บรรพชิตนั้นนิ่งเฉยเสียเขาสงสัยจึงถามบรรพชิตตอบว่าอันตรายชีวิตของเด็กน้อยมีอยู่มีอยู่นานเท่าไรไม่ทราบเขาถามอาตมาเชื่อว่าในระยะเจ็ดวันนี้คือภายในเจ็ดวันนี้ บรระชิตตอบมีทางป้องกันอย่างไรบ้างไหมครับอัตมาไม่ทราบเรื่องนี้ใครทราบบ้างครับอัตมาแน่ใจว่าพระสมณโคดมทรงทราบท่านไปเฝ้าพระสมณะโคดมแล้วถามดูเถิดเราผมไปที่นั้นไม่ได้ทําไมเกรงตะบะจะเสื่อมพราหมณ์ตอบท่านเหลือกเอากวแล้วกันระวังกลัวตะบะเสื่อมกับชีวิตลูกของท่านถ้าท่านรักลูกต้องการชีวิตลูกไว้ก็จงรีบไป หาพระสมณโคดมเถิดตะบะเสื่อมก็ช่างทำเอาใหม่ได้ความรักลูกมีอำนาจเหนือกว่าความเชื่อทางศาสนาเขาและพัญญาจึงยอมพาบุตรไปเฝ้าพระาศาสดาเมื่อเขาทั้งสองไหว้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสอวยพรให้มีอายุยืนแต่พอบุให้บุตรไหว้พระาศาสดาก็ทรงดุษเนีเสียเขาจึงถามเหมือนที่ถามพรามบันพิตพระาศาสดาทรงพยากร ชะตาชีวิตของเด็กอย่างนั้นเหมือนกันอุบายเป็นเครื่องพ้นจากความตายแห่งบุตรของข้าพเจ้ามิอยู่เือพระโคดมผู้เจริญมิอยู่พราม์พระาศาสดาตรัสต่อท่านจงทํามนตบที่หน้าผานของท่านเตรียมตังและอ า, าสนะสาหรับพระสงษ์สาวของเราไว้แปดหรือสิบหกที่ให้สาวของเราสวดพระปริจจ์วันเต็มไม่มีหยุดในระหว่างเมื่อทําได้อย่างนี้อันตรายแห่งชีวิตบุตรของท่านจักไม่มี ข้าแต่พระครูดมข้าพระองค์อาจทำกิจทุกอย่างดังที่รับสั่งได้แต่ข้าพระองค์จะได้สาวกของพระองค์ที่ไหนเล่าพราหมณ์มันเป็นหน้าที่ของเราเราจากส่งสาวกของเราผลเปลี่ยนกันฑรยนครบเจ็ดวันพราหมณ์ได้ทําดังนั้นพระศาสดาทรงส่งพระสาวกไปสวดพระประลิศตลอดเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีระหวา่างคือสวดติดต่อกันตลอดในวันที่เจ็ดพระศาสดาสเสด็จมาเอง ทรงสวดพระปรลิตด้วยเมื่อพระศาสดาเสด็จมาพวกเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นก็มาประชุมกันพวกเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ได้มีโอกาสเฝ้าพระศาสดาอย่างใกล้ชิดเทวดาผู้มีศักย์น้อยถอยห่างออกไปโดยลําดับอวะรุตกายักษ์ซึ่งได้รับพรจากท้าวเวสวรรณให้จับเด็กกินในวันที่เจ็ดก็ต้องถอยห่างออกไปเพราะเป็นผู้มีศักย์น้อยอวะรุตกายักษ์นั้น บำรงท้าเวสวรนอยู่สิบสองปีได้รับพรจากท้าเวสวร์ให้จับเด็กกินได้หนึ่งคนพระศาสดาทรงทรรมพระปริจูตลอดคืนเมื่ออรุณขึ้นในวันที่แปเด็กก็หลดพ้นจากเขตอันตรายมารดาบิดาของเขาได้นำบุตรมาถวายบังคมพระศาสดาพราะพุทธองค์ตรัสว่าขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิดพระโคดมผู้เจริญเด็กคนนี้จะมีอายุยืนนานเท่าใดร้อยี่สิปีพราหม พระศาสดาตรัสตอบสองสามีพัญญาจึงให้ชื่อบุตรของตนว่าอายุวัฒนกุมารแปลว่าผู้มีอายุยืนเมื่อกุมารนั้นเจริญเติบโตได้นถือพระพุทธศาสนาเป็นหัวหน้าอุบาสกถึงห้าร้อยคนภายหลังวันหนึ่งพิสุทั้งหลายสนทนาธรรมสนทนากันในธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงดูเถิดได้ยินว่าอายุวัฒนกุมารนั้น พึงตายในวันที่เจ็ดแต่บัดนี้เพราะอาศัยพระผู้มีพระภาคกลับเป็นผู้มีอายุยืนถึงหนึ่งร้อยี่สิบปีเป็นหัวหน้าอุบาสกมีอุบาสกแวดล้อมถึงห้าร้อยคนเหตุเครื่องเจริญอายุคือทำให้อายุยืนน่าจะมีเป็นแน่แท้พระศาสนาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอายุอย่างเดียวเท่านั้นจะเจริญก็หาไม่แม้วันนะ สุขะและกำลังก็ยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้ท่านผู้มีพระคุณเขาย่อมพ้นจากอันตรายดำรงอยู่ตราบเท่าหมดอายุไปเองคืออายุไขดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าอภิวาดานสิลิสะอิจังวุทาปจายิโนเป็นอาธิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้น